รูปาวาจรกุศลจิตจจตุ ก, กนัยหนึ่งสภาวาธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนะโยคาวาจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปัธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีวิตกมีวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล16อสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจาร์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขกันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสนาเวทนาสัญญาเจตนาจิตปีติสุขเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาถินสีปัญญินสีมนินสีโสมนัสสินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปัจาหะและอวิคเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันสี่ 4, อายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินทรีแปดทานมีองค์สามมักมีองค์สี่พระเจเหตุสามผัสสะหนึ่งธรร ม, มายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล162สสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชไหนพะัสะเจตนาปีติเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะละปักคาหะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอใจกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น เว้นเวทนาขันตัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1 6ึ่สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระปีติจ้างคลายไปมีอุเบกขาสติปัญญาสัมปัชชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุตติยฌาน ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ที่พระอริยะทั้งหลายสัรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกคตาสัตินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีมนินทรีโสมณสินรียชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะ ปักคาและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันศีอายตนะสองธาตุสองอาหารสาอินทรีแปดฌานมีองคศอมักมีองค์สี่พระเจเหตุสามผัสสะหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้น หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล164สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนพัสสะเจตนาเอกคัตตาสัตินสีวิริยินทสีสตินสี ส, น ส, สมาธินสีปัญญินรีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะ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 เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตาสัตทินรีวิริยินสีสัตถินสีสมาธินสีปัญญินสีมณินรีอุเบเกะ ข, ะเขินสีชีวิตินสี สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปักคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเอิงอาศัใสกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันศีอายตนะสองธาตุสองอาหารสาอินทรีแชาญมีองค์สองมักมีองค์สี่พระเจ็ดเหตุสามผัตสะหนึ่ง ธรรมายตนะหนึ่งและธรรมาธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1 6 6่สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนภัตสเจตนาเอกขคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิจิสัมมาวายามะ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 โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากการบรรลุปัรมาฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคเเะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1 6ึรหสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขกันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิจาร์ปีติสุขเอกขตาสัตถินรีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมนินสีโสมนัตสินรีชีวิตินรี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 หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงเอย๋ยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล169สังขารขันธ์นที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนััสสะเจตนาวิจารปีติเอกะขะตาสถินรีวิริยินทรีสติินรีสมาธินรีปัญญินทรีชีวิตินรีสัมมา ท, ทิิสัมมาวายามะ ปักคาหะและอวิเคปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์จัญญาขันธ์และบิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึ่งเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหนะ โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจาร์สงบประงับไปแล้วบรลุตติยฌานที่มีปัทวีกศินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนะเวทนาสัญญาเจตนาจิตปีติสุขเอกขตาสัตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมนินสีโสมนัสสินรีชีวิตินรี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 หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นขุศน์หนดสิบเอสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัภัตสเจตนาปีติเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิสัมมาวายมะ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 วัลุจตุตตฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุกเอกขตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาตินสีปัญญินสีมนินรีโสมนัสสินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปัคาหะและอวิเกปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึ่งเอิงอาใจกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันธ์สี่อายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินทรีแปดฌานมีองค์สองมรรคมีองค์สี่ภละเจดเหตุสามภัตสะหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมาธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาใจกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 173. สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนหนภัสสะเจตนาจิตเอกคตาสัตินีวิริยินรีสตินีสมาธิ น, ธ น, ธนีปัญญินสีชีวิตินีสัมมาทิฐิสัมมาวายามะปัจคขคะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาใจกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น เวนเวทนาขันตัญญาขันและบิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะละสุขได้บันลุปัญจมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ปัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตาสัตถินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมนินสีอุเปกขินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปักคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล ขันธ์อายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินสียแปดฌานมีองค์สองมรรคมีองค์สี่พระเจ็ดเหต3สามัสสะหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1 7ึ็สหสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหน พัสสะเจตนาเอกคตาสตินรีวิริยินรีสตินีสมาธินรีปัญญินรีชีวิตินรียสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปั ค, คาหะและอวิชเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปัญจกนัยจบปฏิปทาสี่หสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไฉโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสิ่งเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล177สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสัดจากามบรรลุปธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทากิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ผัสสะวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึ่งเจ็สสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากการมบรรลุปัธรรมชานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นพัรษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล179สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังห จ, จากการบรรลุปัธรรมฌานที่มีปัทวีกสิ้นเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพรษ อวิเขะปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล180่งสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรบรลุธุติยชฌานบรรลุตติยชฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุปธรรมฌ า, านบรรลุปัญจมาฌานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปฏิปทาสจบอารมณ์4 1 8 1สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากรามบรลุปธรรมชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล182สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังจจกการบรลุปัธรรมชานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะ อวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึ่งร้อแปดสิบสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยัยโยคาวจรบุคคลเจริญมรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัด จ, จากกามบาลุปธรมชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัทธะอาวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังัดจากการบรรลุปัธรรมทานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 18.5 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยะฌาบนบรรลุตตติยะฌาบนบรรลุจตุตถฌาบนบรรลุปัธรรมฌาบนบรรลุปัญจมาฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ ซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกําลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอารมณ์สี่จบ จำแนกชาญเป็นอย่างละสิบหกหนึ่งร้อยแปดสิบหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากรามบรลุปธรรมชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล187สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากการบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพบู์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึ่งสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังัดจากรามบรลุปธรมฌานที่มีปฐวีกติณเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมาก แต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 189. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัด จ, จากรามบรรลุปัมชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา ซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล1 9 9 0สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงังจากตามบารลุปธรรมชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ เป็นทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล191สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกาม บรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกศิงเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพยบูรณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล19ึ่สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉะไหน โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสัดจารามบาลุปธรรมชาญที่มีปัทวีกสิงเป็นอารมณ์เป็นทุขาปฏิปทาขิปปาพินยาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศน 193สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสังัดจากการรมบรลุปธรรมชาญที่มีปฐวีกะสิงเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล194สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะันนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปัธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อย และมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล195สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจกากกรมบรลุปธรรมชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปาทาธันทาพิน ญ, ญาซึ่งมีกาลังน้อย แต่มีอารมณ์ภัยบูนอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัตสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล196สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังัดจากการบรลุปธรรมฌานที่มีปัทวีกสิงเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญา ซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัตสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล197สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากการบรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปาทาธันทาภิญญา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 เป็นสุขาปฏิปทาคปปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเเปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหน9สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกาม บรรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสนอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล200สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกาม บรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองร้อยเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากการบรรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกศินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองร้อยสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไน โยคาประจรบุคคลเจริญมรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประนับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุชชาญบรรลุปัธรรมชาญบรรลุปัญจมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพบูร์ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพบูร์ ที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพบู์ที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญา ซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีกส yeah ินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาธันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพ่บูร์ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บูร์ที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ เป็นสุขขาปฏิปทาขิ ป, ปาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพบู์ที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อย ที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพินยาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสดะอาวิเคปะ ก, ก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกฌานเป็นอย่างละ16จบจำแนกกสิน8ปเป็นอย่างละ16 20สองร้อยสาม สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสัดจากกามบาลุปธรมชาญที่มีอาปโปกสินเป็นอารมณ์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์มีวาโยกสินเป็นอารมณ์มีนีลกสินเป็นอารมณ์มีปีตกสินเป็นอารมณ์มีโลหิตากสินเป็นอารมณ์ม มีโอทาตากสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกกติสินแปดเป็นอย่างละส6หจบอภิพายตนะปริตะสองสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะ โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยคมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากการบรรลุปธรรมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 205. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตาติยชาญบรรลุจตุตธชาญบรรลุปธรรมาชาญ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 เห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัด จ, จากกามบรลุปัธรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลส0 2ร้สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบ ไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในบุรุณในภายนอกเพียงเล็กน้อยคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสังัด จ, จากกามบรลุปธรรมชาญเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในจะหมัยใดในจะหมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไน โยคาวรจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสงังจากกามบรลุปธรรมฌานเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล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 บรลุตัติยฌานบรรลุจตุตถฌานบลุปธรรมฌานบรลุปัญจมาฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นสุขขาปฏิปทาขิ ป, ปาภิญญาอยู่ในสมยัยใดในสมัยนั้นผัสสะ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 บาลุปธรรมชาญซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล212 ส, ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบ ไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยขมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสังหกกรมบรรลุปาาัรรมชฌานซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฏะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล2อ1 3สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไหน โยคาวรจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยผมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบารรลุตติยชาญบารรลุจตุตถชาญบารรลุปธรรมชาญบารรลุปัญจมาชาญซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อย ซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอารมณ์สองจบจำแนกชาญเป็นอย่างละแปดสอสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพ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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยคมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นทงัด จ, จากการบรรลุปัมชาญเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภัสสะวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล216สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉะไหนโยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยขมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นถงัจจากการบรรลุปัมชาญ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 ไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยรุคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นต่งงอ จ, จากกามบรลุปธรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 218สภาวาธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนโยคาวาจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นทางอจจากามบรลุปธรรมฌานเป็นสุขาปฏิปาทาธันดาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใด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 เห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกามปลุปธรรมชาญเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพินยาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภสษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล21สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะ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 บาลุจตุถะฌานบลุปัธมาฌานบลุปัญจมาฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันถาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยเป็นทุกขาปฏิปทาทันถาภิญญาซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยเป็นทุกขาปฏิปทาขิปาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อย เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อย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 สองสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยที่มีสีงามหรือไม่งามกรมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจาร์สงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบารรลุตติยชาญบารรลุจตุตถชาญ บรรลุปัรมชฌานบรรลุปัญจมาฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอภิพายตนะแม้นี้เป็นอย่างละแปดจบอับปปมะนะสองยสหสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึง รูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบู์คมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสังัด จ, จากกรมปลุปธรมชาญอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองยสหสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะ โยคาวรจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจาร์สงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุติยชาญบรรลุปัธรรมชาญบรรลุปัญจมชาญอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น พัทธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอั ป, ปมาณะจบปฏิปทาส2 2สองยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบู์คมรูปนั้นได้คิดว่า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 ไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบู์คมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นตรงหัด จ, จากกรมบรรลุปธรมฌานเป็นสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน โยคาวาจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบูณข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นต่ัด จ, จากกามบรลุปธรรมชาญเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล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 เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปฏิปทาสี่จบ อารมณ์สองอส ส, ส, องสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบูณ์คมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นจงหัด จ, จากกรามบรรลุปธรรมฌานซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวัรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล233สภาวัรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบู์คมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นต่ัด จ, จากกรม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 เรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจารณสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุตถชานบรรลุปัธรมชาญบรรลุปัญจมาชาญซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบูรณ์มีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบูรณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอารมณ์สองจบ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 ซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทาบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนขมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสงัด จ, จากกรรมบรรลุปธรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบูนอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล237สจภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน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 บรรลุปธรรมชานเป็นทุกขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัสสาววิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล239สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นตรงหัดจากกามบรรลุปัรตมฌานเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัทธะวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสองสสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล241สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยัยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทมบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสังดจากกามบรรลุปัรมชฌานเป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพินยา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 เห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นทงังจากการบรรลุปธรรมฌานเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัทธะอวิเขคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล243สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะ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 เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพ่บู์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บู์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพ่บู์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บู์ เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพ่บู์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บู์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพ่บู์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บู์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวัธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกฌานเป็นอย่างละแปดอีกในหนึ่งจบจำแนกอภิพายตนะแม่นี้เป็นอย่างละแปดสองสิบสี่สภาวัธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภปพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ภัยบู์ที่มีสีงามหรือไม่งามคมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นทางจักกามบรลุปธรรมชาญอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล245สห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหน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 เห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวสีเขียวล้วนมีแสงสีเขียวคมรูปนั้นด้วคิดว่าเรารู้เราเห็นต่ัดจากกามบรรลุปัมะฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล247สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึง รูปประพไม่ได้ทาบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองสีเหลืองล้วนมีแสงสีเหลืองเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงสีแดงล้วนมีแสงสีแดงเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวสีขาวล้วนมีแสงสีขาวคมรูปนั้นด้คิดว่าเรารู้เราเห็นแตงัด จ, จากกรม บรลุปธรรมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอภิพายะตะนะเป็นอย่างละ16จบจำแนกวิโมกข์สาเป็นอย่างละ16 248สองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะโยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบเป็นผู้ได้รูปฌปาน มีรูปภายในเป็นอารมณ์เห็นรูปสงัด จ, จากกามบรรลุปธรรมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัรษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล249สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน เห็นรูปภายนอกสงัดจากการบรรลุปธรรมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลส5 0สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบมณสิการวันนักสินว่างามสงัดจากการบรรลุปธรรมฌานอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกวิโมกษเป็นอย่างละ16จบจำแนกพรหมวิหารณาชานสเป็นอย่างละ16 251สอสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสัดจากรรม บรรลุปธรรมฌานที่สหรคตด้วยเมตตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล252สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจาร์สงบประงับไปแล้ว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 255สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตาพรหมวิหารอันไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัฒนาวิเคปก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 256หสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล257สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนะ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 โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสังัดจากกามบรรลุปธรรมฌานที่สหรคต ด, ด้วยกรุณาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล259สาภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะ โยคาวาจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุปธรรมชาญบรรลุจตุตถชาญที่สรคตด้วยกรุณาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 260สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากรามบรรลุปธรรมฌานที่สหรคด้วยมุติตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล261สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไหนะ โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบารรลุตติยชาญบารรลุปธรรมชาญบารรลุจตุตชาญที่สหรคตด้วยมุติตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 262. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน โยคาวจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขได้บรรลุจตุทะฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกพรหมวิหารฌานสี่เป็นอย่างละ16จบจำแนกอสุพชาญเป็นอย่างละส6ห สองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรลุปธรรมชาญที่สหรคตด้วยอุตุมมาตะกะสัญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล264สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะ โยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกาบรบาลุปธ ร, รมชาตที่สหรคตด้วยวีนวินีละกสัญญาที่สหรคด้วยวิปุปภะสัญญาที่สหรคตด้วยวิจจจิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิขหายิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิกิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยหตะวิ หิตะกะสัญญาที่ท h o คตด้วยโรหิตะกะสัญญาที่ท h o คตด้วยปุลุวะกะสัญญาที่ท h o คตด้วยอัติกะสัญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสธะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอสุพชานเป็นอย่างละ16จบรูปาวจรกุศลจิตจบ